ฟังเทศฟังชรม <c oughs> ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังกันมา <c oughs> แต่มันก็ไม่อิ่มไม่พ อ, <c oughs> อเพราะเรื่องของจิตมันบกท่องปฏิบัติยังไม่ถึงจิตถึงขั้นที่จะอิ่มจะพอ <c oughs> มันจึองอิ่มไม่พอให้ ตามจริงฟังเทศจากครูอาจารย์จากท่านผู้อื่นคสิที่เกิดขึ้นหรือจาแม่นมันก็เม่เหมือนกันกับเราฟังจากตัวของเราเองเราฟังจากตัวของเราเองจำแม่นไม่ค่อยหลงค่อยลืมเพราะมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากตัวของตัว ทำที่จะเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากตัวของตัวก็เนื่องจากการประพฤติปฏิบัติมีสติรักษามีปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆที่ตาเห็นหูได้ยินนำไปนักคิดพิจนะารณาหาหลักเกณฑ์ <c oughs> เมื่อเกิดปัญญาขึ้นก็ทราบสาเหตุว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ยีก็รู้จักชั่วก็รู้จักพอปัญญาสามารถสอดรู้จริงต่างๆตามเป็นจริงของมันนี่คือการฟังธรรมฟังเทศจากกายจากจิตของตัวเองถ้าผูดด้ใดฉลาด ฟังเรื่องต่างๆน า, น า, นาตาเห็นหูได้ยินหรือจิตใ จ, ใจปุงคิดคนนั้นแหละจะไม่อดอยากอยากจนเรื่องของธรรมไปสถ า, านที่ใดตาเห็นหูได้ยินหรือจิตนึกคิดปรุงแต่งพอจะเป็นอาจเป็นธรรมสิ่งที่ควรแจกไห้สำลาดใจก่อนสำลาไปสิ่งใดที่ควรสะสม ให้มากขึ้นก็สะสมขึ้นเพรธรทมผีพระพุทธเจ้านำมาสอนโลกท่านไม่ได้หยิบยกออกมาจากที่อื่นท่านศึกษาทมท่านปฏิบัติทมคือปฏิบัติกายปฏิบัติวายชาปฏิบัติใจของท่านไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้มาจากที่อื่น ศีนก็คือการรักษากายวายใจก า, ายวายาก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตาย <c oughs> สมาธิคือความตั้งมั่นของใจ <c oughs> ไม่วอกแวก เ, เอียงไปตามเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆมันก็มีอยู่ในใจไม่ใช่มันนี้อยู่ตามสำหรับตำราไม่ใช่มัมีอยู่กับถ่องฟ้าอากาศ มันมีอยู่กับหัวใจของบุคคลผู้ฝึกฝนที่นี้ที่เจารักษาปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในว่ากายสังขารวิชีสังขารมโนสังขารนั่นก็มีอยู่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นพุทโธพุทธผู้รู้ไม่ใช่จะไปรู้ที่อื่น รู้ที่อื่นรู้ขนาดไหนก็รู้เพือบแฝงไปด้วยความหลงจะแจ้งจะรู้ตัวของตัวรู้ใจของตัวรู้สัญญาอารมณ์ของตัวชั่วดีควรละควรบ ม, ม, มเพ็ญด้รักษาเอาไว้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาจิตใจของคนนั้นก็จเจริญก่าวหน้ามีความฝุก ความสงบความเยือกเย็นถ้าหากในพิจารนาภายในใน <c oughs> ใจเรื่องของอัดของทมถึงจะฟังอยู่ตลอดคืนตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีก่อตามอ่านําหรับตำราธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่จิตใจไม่เห็นไม่เป็นธรรมะให้มันก็ไม่เกิดผลเกิดกำไรอะไร มีแต่งแต่ลุ่มหลงเลื่อยไปตัดเยี่ยงสอนใจของตัวเองที่จะนาใจของตัวเองเพราะโลกปวดหลงมาอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของตัวชั่วดีนั้น ม, มีอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของตัวเราจะต้องตั้งจิตที่นีที่เจนาในตัวของตัวว่าชั่วดีอย่างไรชั่ว จีนีอยู่ในกายวาจาจใจเมื่อไม่เห็นก็ทาละไม่ได้เพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีมีคุณค่าอยู่แต่ตัวของตัวรู้ว่าชั่วว่าเสียก็าสามารถจีดจะทําำละให้หลุดออกจากกายวายใไปได้เพราะชั่วเสียนั้นเราไม่ป่าถนาเราจรึงทำละออกได้ เหมือนกันกันกบของที่เราไ่ปรารถนาทั่วไปว่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีคุณค่าเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทิ้งไปโยนไปเพราะถือไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตัวคนอื่นหูมาเห็นเขาก็จะตำหนินินทาว่าทำไม บาบอยอย่างไรซึงเอาของเนอาของเห็นของฉวบของเสียมาไว้เราถ้าตรวจตาพิจารณากายใจของเราเก็ทํ า, า, านองเดียวกันสามารถทราบเข้าใจสี่งที่เป็นภัอยอันตรายสิ่งที่ฉวบผีเสี ย, ยต่างๆสามารถาสาสาที่จะสั่งรัาสารให้หลุดให้ตกออกไปถ้าไมา่ตรวจตาพิจารณากายใจของตัว มันเ่วมันดีอย่างไรโดยส่วนใหญ่มันทรงออกไปข้างนอกไม่ยอมรับผิดมนุษย์ปกติผู้ทุชนโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแทบถั่วทุกตัวคนไปทําผิดอะไรแล้วก็ไปโยนให้คนอื่นพูดผิดอะไรก็ไปโยนให้คนอื่นคิดผิดอะไรก็ไปโยนให้คนอื่น มันเป็นทํานองนั้นทั้งทางจิตเขาจับได้คาเขาคาหนังอยู่เลยเรียนจำในาระไปถามก็ยังว่าเขาหาว่าอันนั้นเขาหาว่าอันนี้ขาโมยเขาปนจีเขาแต่ความจีมันก็ไปปนไปจีจนไมน่มีทางที่จะแก้ตัวจนเขาจับคุมเอาไว้ขังเอาไว้แต่ไปถามก็ยังไม่รับสารภาพถือว่า เขาหาเรื่องอย่างนั้นหาเรื่องอย่างนี้มีหมายถึงมนษุษย์ธรรมดานอกจากนั้นเดินไปตามถนนหนทางไปโดนหลักโดนตอตกหุมตกบ่อก็อกอไปบนไปโกธให้สิ่งนั้นเนี่ยตัวที่ไหนต้องรวมรักษาไหนระวังจึงไปโดนไปตามเขา้าจึงไปตกเขา้าแต่ก็ไปโทษหัวตอ ไปถอดลุมถอดเบาไม่ได้โทษตัวเองโดยส่วนใหญ่มันเป็นไปทำนองนั้นถ้าเกี่ยวกับบุคคลในกลุ่มในพรรคพวกส่วนชุ่งที่อยู่รวมกันถ้าไปทำอะไรผิดเข้าเด็นไปโดนแก้วแตกก็ไปกลาหาว่าคนอื่นมันไม่ เก็บแม่รักษาถึงเจกะเราต้องเตะถึงโดนมันไปอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าตัวไม่มีสติตัวเฉื่ตัวเสียคนประเภทนั้นทางศาสนาถือว่าคนไม่มีอัตมีธรรมคือโยนทิงให้คนอื่นไปหมดความเฉื่ความเสียตัวเองยังดีมีคุณค่าเสเนอไป ถ้าเป็นอย่างนั้นที่เดือดในใจไม่มีวันเวลาที่จะบกพร่องคนอื่นที่กบค้าสมาคมเกี่ยวข้องก็เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะเขาไม่รับผิดของเขาเขาทําั่วทําเสียมาเยินให้เราก็าเลยได้รับความเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่เร็วตามมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ชี้แจ น, น า, าเพื่อจะแก้ไข กายวาใจใจของตัวหมายถึงมนุษย์ชั่วมนุษย์เสียมนุษย์ผู้ดีท่นานตังหนาตัณหาปฏิบัติรักษาเพื่อธรรมะของใจไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ชั่วผิดเสียท่านจะสาภาพ้วเราเลยผิดได้เธอไม่ไดระ ว, วังรักษาต่อไปตังหาเราจะระ ว, วังรักษา จังวนกายบาดเจ็บในใช่วยเสียอย่างนั้นอย่างนี้สารภาพคนอื่นเขาก็เห็นใจเพราะยอมรับผิดของตัวคนที่ยอมรับผิดของตัวเกี่ยวกับภายนอกเกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นเขาก็รักใครยินดีให้อภัยิ่งที่ร่วงเกินไป <c oughs> เรื่องของใจตัวเองก็ทำนองเดียวกันทิดชิดชั่วคิดเสียไปต่างๆนานาก็ยอมสารภาพว่าสติของเราไม่เพียงพอบริบูรณ์ปัญญาของเราไม่รอบคอบถึงได้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีสติห้ามกันจิตใจมันพรุงมันคิดอย่างไรก็ปล่อยมันไปเสียเวลา มาประพฤปฏิบัติภาวานาก็มีแ <c> ต <oughs> ่ส่งข้างนอกนี่หมายถึงจิตตัวเองที่จะสอนตัวเองทาให้เห็นความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้ไม่เห็นความดีมันก็ก่อกลวยความดีเอาไม่ได้ท่านจึงว่าให้เห็นในจิตในใจของตน การที่จะเห็นก็หมายถึงเราลืมตาไม่ได้รับตาทพิจหน้าด้วยความชัดเจนของจิตของใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรสิ่งนี้เป็นอย่างไรขาวก่ทราบว่าขาวดาก่อห็นทราบว่าดําแบบดึงตาดูรู้สีต่างๆแสงต่างๆ ต, ต, ตามเป็นจริคงของมันหมายถึงปุถีมีปัญญา มีธรรมรักษาใจท่านไม่เอยงเอียงไปตามเลืองของกิเลสทุกข์ก็ให้นทราบว่าเป็นเสิเทุกข์คนเกิดมาไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันอนาคตมันก็มีความทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่เราไม่ยอมรับทุกข์ถือว่าทุกข์เป็นข้าศึกศัตรู <c oughs> อยากจะยิ่งนี้อยากจะละทิ้งเรื่องกองทุกต่างๆโดยเมี่ยใชปัญญาที่นี่พี่แจนาเเรื่องของทุกเหมือนนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ทุกที่มีอยู่ในตัวมันเกิดมาในเรื่อง ผลของกรรมหรือมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำการคิดการนึกในปัจจุบันถ้าหากมันเกิดจากกรรมเก่ากรรมก่อนของตนที่เคยสะสมเอาไว้เราก็เสวยผลมันไปถ้าเรารับใช้ผลกรรมที่ก่อทุกข์ให้เรารับใช้ไปเรื่อยๆโดยในสะสม ทุกใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมทุกหรือตามเก่ามันก็ค่อยหมดไปเหมือนของใช้ต่างๆเราไม่หามาอีกนี่แต่ใช้ยื่อยไปของนั้นก็หมดไปหมดไปผลที่สุดก็หมดจริงๆแจ้จจงๆได้แต่เมือ่อเราหามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยมันก็ไม่หมดให้ มีหมายถึงของ้ายข้างนอกทุกในจิตในใจก็ทำนองเดียวกันทุกอันนั้นตกไปทุกอันใหม่กอบกลัวมาใสทับโถมเข้าใจของเราจึงไม่มีความสุขความสบายหุว่นวายเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆไปแล้๋ยวจานี้ว่าที่นั้นไม่เหมาะที่นั้นไม่ดี ไปที่ใหมยจะไปต่างใจภาวานาลากิเลสก็คอนคอนเก่าไปที่ไหนก็ไปแบบเก่าไม่เข็ดลาไม่จดจำไปสถานที่นั้นเราไปจานี้ไปอยู่สถานที่นี้เราจะสั่งความดีใส่ตัวของตัวแต่พอไปถึงเขา่มามันหลงลืมไปเสียความชั่วเกียดค้านแบบไหน ที่ีประจํากายประจําใจมันก็ปล่อยเอาไว้เดีกยหลี่เหั่บนหัวเราเยอะอยู่ตลอดเวลาพบชาติข้างหน้าไม่ต้องถามถึงว่าจะเกิไปอีกอย่างไรเพราะไม่เคยเกนหลาบเรื่องความชั่วความเสียแต่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้จดจําสิ่งใดมันเป็นภัยอันตรายสิ่งใดที่ทําทุกข์ ท, ทําโทษเหยียดตนอย่าไปคิด ไปปรุงไปทําไปพูดในสิ่งเหล่า น, นั้นเมื่อเราสอนใจของเราได้อย่างนั้นไปอยู่สถานที่ที่เรามุ่งหวังว่าจะไปตั้งหน้าทําความผากความเพียรทำลายชีวิตตัญหาคอยทํจาทจริงจริง จ, จังๆ yeah. เพียงแต่ว่าเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาทํำในปรารถนาผล มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับเราทานอาหารเรื อ, อเราเดินไปป่าไปส่องถ้าเราเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องปรารถนาะมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เราทานอาหารก็เหมือนกันไมน่ต้องปรารถนาะให้อิ่มแต่เมื่อทานราไปเรื่อยๆมันความอิ่มมันก็ปรากฏขึ้นเราปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันไม่ต้องปรารถนาฝนคล้อ้บำรุงลาต้นมันให้ดี ถึงการถึงเวลามันเติบโตมามันก็พี่ดออกข้นให้นี่ผู้ที่สร้างจิตใจของตัวก็ทำนองเดียวกันถ้าตั้งมัน่นแต่เราจะไปทำความดีไปสร้างความดีก็หมั่นที่นิตพี่เจนะศึกษากายวาจาของตัวตั้งหน้าภาคเพียรพยายาม ทำความดีที่ตัวปรารถนานั้นเรื่อยๆไปผลมันก็เกิดขึ้นได้ในการใดก็การหนึ่งพอเราทำความดีอยู่เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ไม่หยุดอุตสาหพยายามทำบ่อยๆถึงของนั้นจะมากจะยืดยาว แต่อุตสาห์ทำไม่หยุดไม่ถอยมันก็สำเร็จไปได้ไหนว่าการงานด้านนอกด้านในทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความเพียรวิเชนะทุกขมัสเจติคนจะพ้นทุกไดได้เพราะความเพียรเพียรพยายามรักษาหน้าที่ของตัวการงานของตัว ไม่ถอยหลังอุตสาห์พยายามก้าวหน้าเรื่อยๆไปเหมือนกันกับเราเดินทางถึงช้าแต่เชื่อว่าไปไม่หยุดมันก็มีวันหนึ่งทางหนามันจะถึงจุดหมายปลายทางสี่ตัวป่าถนาไดา้มีการบำเพ็ญําระกิเลสตัณหาภายในกายวาจายใจของตัวกับทำนองเดียวกัน สิ่งใดที่ยั่วยวยุให้จิตใจชั่วจิตใจเสียสาเหตุอของสิ่งนั้นนั้นมันมาจากอะไรแล้วเมื่อเราไปโกรธมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษถึงแก่ตัวเรามีปัญญาหรือไม่จึิงไปกออป้วยเอาสิ่งที่ชั่วจี่เสียมาทับถมกายใจของตัว ถ้าคนมีปัญญามีธรรมะสิ่งใดทีได่ไนมีคุณค่าสิ่งใดทีได่ไหนมีสาระ <c oughs> าเกี่ยตัวสิ่งนั้นจะไม่รับเอาไว้จะ่สลัดทิ้งหรือไม่ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันชิ้นเขาดูด่าว่ากาวติชิ้นอินทาต่างๆนะั้นนะถ้าหากว่าคนมีปัญญาแล้วอันนั้นมันเป็นลมปากของเขา เขาปวดแล้วมันก็ดับไปใจไหนรับเอาไว้มันก็ตกไปหมดไปมันใหม่ใหม่ใหม่เผาถ้าเรารับเอาไว้นํามานื้คิดว่าโซเดียมมินทา่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด่าก็ว่าความโกรธมันก็ทวีคูณขึ้นใครเหล่าเป็นคนได้รับทุกข์ได้รับโทษกัตัวของตัวที่ชั้วที่เคียวที่ไหนมีปัญญารักษาปัญญาอารมณ์สังวรใจของตัว เป็นทุกข์เป็นโทษนี่เป็นอุบายสำหรับผู้ที่มีอาจมีธรรมจะนำมาฝึกสอนจิตใจของตัวพอโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ดีชั่วสุขทุกข์มันมีแต่จไหนจ ะ, ะไรเรายังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็มีมีอะไรที่จะเสียหายไป ถ้าพิจารณาในใจเข้าใจตามเป็นจริงแล้วมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับใจโลกมันเปิดสว่างอยู่ตลอดระยะตลอดเวลาไหนล่ะพระพุทธเจ้าจะสอนสตัดสรุปเนี่ยสัตรหรือพระพุทธเจ้ามันมาจัดสรุมันก็มีอยู่อย่างนี้ความเกิดแจ่บเจ็บตายของสัตว จีเลตัญหาของสัตว์ถ้าไห่กำจัดไม่รักษาก่อตัวคนที่ชื่อที่เสียที่ไม่มีสติปัญญารักษาตัวนั้นนหละได้รับทุกข์รับโทษในเชิงคนอื่นจะมาได้รับแต่เหมือตัวเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วมันก็เหมือนกันกันกบควายไปนอนดินนอนตมติดตัวมาตัวอื่นที่อยู่ขางเสียงซึ่งมาเด็ดไปนอนไป เกลี้กล่อันต้มบางทีนะใกล้เหมล้วกับหางป่ายหางตีไปเดินตัวอื่นให้ตกกระปกไปเดือดกันคนที่เป็นทุกข์เป็นโทษคนที่ชั่วชีวเสียที่จิตใจลามกก็ทำนองเดียวกันไปอยู่กับพักพวกขวัญฟุ้งที่ไหนก็ทําพักพวกขวัญฟุ้งที่สะอาด ให้เสียไปทางธรรมในสีพระพุท ธ, ธเจ้าทา่าน่าวเอาไว้ท่านจึงว่าอารัตสีคือคนที่ใน ม, มียางอายในกลัวบาปเพียงคนเดียวกี่สามารถที่จะทำรัตีคือคนดีให้เสียหายไปได้เป็นร้อเป็นพันมีหมายถึงคนชั่วอาจทาคนดีที่อยู่ในขัน้นที่จะเสียหายไปได้ จะหายไปได้เหมือนกันคนดีคือลัทธิเพียงคนเดียวกว่าสามารถที่จะทําอาลัทธิคนชั่วคนเสียให้ดีไปได้อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ฝึกฝนพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเบื่อตบนจนจิตใจหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหามาเนีสอนสาวกสาวกนิพเจนาเห็นบ่าธรรมะ ที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นที่ท่านได้ฝึกได้อุปวมตัวของท่านนั้นเป็นสัตว์เป็นธรรมจริงจังควรเราจะประพฤติปฏิบัติตามอาัตตามธรรมอย่างนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาธประพฤติปฏิบัติรักษาสำนักใจของตัวก็เลยเป็นลัทธิคือผู้ที่มียางอายผู้ที่ดีชีวิเศษ จนได้เป็นสารณ ะ, ะของพวกเรามามีหมายถึงลรัชาารถถร ช, ช, รชีเพียงคนเดีย ว, ยาย ว, าวาสามารถที่ทำอรัตชีคือคนชั่วให้ดีได้อรัตชีเพียงคนเดียวอย่างเทวทัตก็สามารถทำให้รัตชีผู้ที่มีความรู้ยังอยู่ในขันศึกษาในเสขภูมิให้ชั่วให้เสียไปได้อีกเหมือนกัน นี่หมายถึงเรื่องภายนอกเรื่องคนอื่นทางธรรมะท่านสอนเขามาเป็นธรรมะที่ไปไตมาดูใจของตัวมันชั่วมันเสียมันสุกมันทุกอย่างไรดูอรัชชีดูลัชชีอยู่ขีใจของตัว เมือ่อเรามีสติจ้องดูใจการคิดตึงล้องใจมันเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมรักเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อเฉลี่ยตัญหามานาทิฐิวิจัยวิจารความคิดอ่านของตัวภายในกำจัดขับไล่สิ่งที่ชั่วที่เสียอรัชี คือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่เน่าที่เหม็นสิ่งที่ก่อจิตกวนใจให้เกิดทุกเกิดโทษให้หมดไปใจก็ได้ละชีขึินมาคือเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีธรรมะในตัวไปสถานที่ใดก็มีพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระอริสงตามไป พุทธคืธอผู้รู้ของใจรู้อยู่ตลอดระยะเวลาอารมณ์สัญญาอะไรผ่านมาหรือผุดขึ้นรู้ทราบอยู่ในตัวเพราะไม่ได้เผลอไม่ได้มัวเมาไม่ได้ประมาท ธ, ธรรมะทรงไว้สิ่งสำรู้ที่ตัวรู้สำรักสาสางสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูออกจากใจ สังขารคือปฏิบัติกายวายใจาใจเพื่ อ, อเพื่อทาเพื่อมรักเพื่อผลรวมลงมา <c oughs> เรืองพระไตรศนนคมมันลงมาสู่กายวายใจาใจของเราถ้าหาเห็นพระไตรศนนคมอยู่ข้างนอกยังเห็นห่างเห็นไกลยอยู่ยังไม่สามารถป้องกันภัยที่บาดได้ ยังไม่สามารถป้องกันอบายภูมิได้ถ้าผู้ใดเอาถ่าใจชนะคมคือพุทธธรรมสงฆ์เข้ามาสู่กายสู่ใจของตัวชั่วเสียต่างๆที่เกิดขึ้นไม่นอนใจปัดเ่ากำจัดออกไปถ้าหากวันนีสิ่งๆมันจนมาสู่กาย่าจาจใจก่ สังวรรักษาไม่ได้เปิดประตูให้ความชั่วเข้ามาทัดถมกายใจของตัวนี่คือผู้ที่มีอัตมีธรรมท่าทนรักษาตัวของท่านอย่างนั้นเมื่อรักษาตัวของท่านอย่างนั้นทุกการทุกเวลาความเยือยกเย็นของใจความปลอดภัยของใจความสุขของใจมันก็เกิดขึ้นได้ ถึงจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งก่อตามถึงปัญญาจะละทีเลียดในขาดยังมีอนุสัยอยู่ในจิตในใจก่อตามแต่อนนานาจการสั้งวรระวังรักษาด้วยสติปัญญานั้นก็สามารถคุมกั้นให้จิตใจของเราท่านสุขสบายเราเองที่เจนารุกโทษ ความเสียหายต่างๆที่ใดทํำได้พูดได้คิดด้วยเจตนาโดยความโจงใจของตัวมันไม่มีความถักความเสียส่วนนั้นไม่มีตัวตาที่เจตนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหายเมื่อเราพี่เจตนาเห็นว่า กายวาจจใจของเราไม่ได้ชั่วไได้เสียอย่างนั้นเราก็มีความสุขวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปกายใจไม่ได้ไปทำชั่วคิดชั่วถึงคนอื่นเขาจะมาตำหนินินทาว่าเราบาบาบอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็าตาัง เราเดี๋ยวตัตาที่แจนาแล้วเราไปเลยบ่าเลยบอตามลมปากของเขาเราก็เยียกลัวเย็นท้าหากเราเป็นอาจเป็นธรรมไม่เข้าตัวอย่างนั้นคือตรงไปตรงมาเป็นอุปปจิปันโนไม่แวะเข้าตัวคือตรงไป ดีชั่วอย่างไรตรงอย่างนั้นผู้ศรเป็นสาวกของพระเจ้ทาท่านปฏิบัติตรงไปอย่างนั้นไม่ไดีเข่าตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียถ้าเขาตำหนิมันมีจริงในตัวก็สอนตัวว่าอันนี้ฝ่าฝืนธรรมพูดไป เขาก็มีแต่ทางแต่ตำหิมิ